นาโมตัสสะทักขวาโตอะนะหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะวโตอะะหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโม พิปิโสภควาอระหังสัมสมปุณโตเอเาจาราสัมปันโนสุขะโตโลกวิทุอนุตตโรภริสัทธามาสารติเทวมนุส สำพุทธโสวโสท่าสันด า, าน ม, มูลกาเลสมานบม่ ม, นมีมองมีมองโม่หนึ่งในพระ ท, ทัยท่าน ก็บิกบานคือดอกบัวราคีบัานพัวสุวะคนท่ากำจอนองได้ประกอบด้วยพระการุณา สาคนโปรดมูประชากรมาลาโอขาการดานชี้ทางบรรเทาทุกข์และชี้สู กะเสมสารชีทาพาน า, ารุพานันพนสวิโยคภยัยครอมเบนจาบิตาจา ไกลไกลก็เจนจบปราจากจริ ง, ง, งาำจดน้ำใจยาบสันดานบาพแพงชัย ข้าขอประนอดน้อมสิราิกาวบังคมคุณสัมพุทธทาการุณอย่าภาคนานนิรัน สวากาโตภาควาตตาโมสันติโก เทตธรรมมาคือคุณาก่อนส่วนชอบสาทอนดูดดวงประทีปชัชวานแห่งองค์พระศาสดาจาร์สองสัตสันดาน สว่างกระจ่างใจมนทาใดนักโดยมักพลเป็นแปดพึงโยนและกก่าวกับทางนาเรพานซ่อมยาโลอูดอนพิสดารทางลึกโอ ทีสุดที่เศสศุกสายอีกทางต้นทางทลายนาำขนานขานไข่ปฏิบัติปริยาตเป็นสองคือทางดังเนินหลุดจากคอ จำจำนงด้วยจิตและกายว่าจะตราบสุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโกอุชุปติปันโนภาควะโวะต สังโฆาติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆญาญาติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆญาที่ทำใจ ภะริภูริสายุคาณิอาจทัพภริสัพุฆาลาเอสาคาวะโตสาวกสังโ ทรงได้านนสาวกศาสดาพระอธิบัตมาแห่องค์สมเด็จภาคารวันแห่แจ้งจตุสรรัต์เสร็จบานโลทางที่อันรานับและดับทุกภัย โดยสเสด็จพระผู้ตรัสรายปัญญาของไซซ า, าแกะประ ทายสร้าแน่โลภัยแลเกิดที่บูญปูนทอนซ้อมอย่าเอารถทศพรมีคุณอานอนอ์อเนกจนาเปลือตาข่าขอนกหมู่พัสรา ออกทรงคุณาโนคุณผดุจรมพานด้วยเลตบุญค่าอภิวันพระไตรรัตนอุดมดีเลตมีรักใจจองช่วยถ้าจากโภยภายอันตรายใดใด จองดับแผลรกระเสื่อสูกรกระขอโมทนากระพวกเราทั้งหลายนีมาเจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณด้วยการสาธยายกัน